เขาเชิญติดตามรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรจากผู้ใช้นามปากกาว่าดังตรินต่อจากเมื่อตอนที่แล้วค่ะเพื่อจะหลุดจากความยึดติดในยานอย่างรู้ต้องอาศัยปัญญาทบทวนอย่างเดียวว่าเรามาอยู่ในเส้นทางนี้มุ่งหมายอะไรความรู้แบบสังสมหรือความรู้เพื่อปล่อยวางถ้าเผื่อความรู้แบบสังสมนั้น เราเกิดตายได้อีกอนันตชาติก็สังสมไปอีกไม่สิน้นทำจิตให้อยู่ในลักษณะกว้านเก็บไปเรื่อยๆแต่ถ้าความรู้เพื่อปล่อยวางเราทนทุกทรมานอีกเดี๋ยวเดียวก็จบเพียงทำจิตให้อยู่ในลักษณะสักแต่ว่ารู้เกิดดับสักแต่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนแม้แต่ความรู้เฉพาะ จำกับความรู้เฉพาะอย่างทราบก็แค่ภาวะอะไรอย่างหนึ่งเราหวงภาวะอะไรนั้นไว้เพียงหนึ่งเดียวก็ต้องแลกแล้วกับการเวียนว่ายตายเกิดกันอีกกลับกลายเป็นความไม่รู้ได้อีกเมื่อหมดจากอัตภาพนี้เพราะฉะนั้นรู้มากแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าไม่จบ ถ้าไม่ปิดประตูขาดจากเส้นทางสายทุกเสียข้อที่6อธิมโมกคือความน้อมใจเชื่อสำหรับความน้อมใจเชื่ออันเป็นผลจากวิปัสสนานั้นพิจารณาหลากหลายได้มากนักคล้ายกับเมื่อครั้งที่ยังนึกปกติใครพูดอะไรมาหรืออยู่ๆคิดอ่านพูดจาอะไรออกไป ก็อาจจะเกิดการทึกทักเขาว่าความจริงต้องเป็นอย่างนี้หลักการที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ปรากฏการณ์ทางสมถะและวิปัสสนานั้นมีมากมายจนจรนารัยกันไม่หมดโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอัตตาใหญ่อยู่ก่อนอย่าได้เชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบรรลุธรรมเร็วเมื่อเกิดอะไรเพียงเล็กๆน้อยๆ ก็พร้อมจะน้อมใจเชื่อว่าไม่ใช่มรรคผลขออภัยค่ะเชื่อว่าใช่มรรคผลเราเป็นผู้มีบุญญาธิการมหาศาลบางครั้งจิตก็สแสดงความมหัศจรรย์หลายคนเกิดประสบการณ์ใกล้เคียงกับมรรคผลจริงๆเช่นดำเนินจิตรู้ความเกิดดับกระทั่งเห็นความว่างหรือเกิดแสงลูกโคลง แถมเกิดเสียงบอกสำทับอีกว่าใช่แล้วนั่นคือมรรคผลหากเป็นผู้ปฏิบัติที่ซื่อต่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็จำเป็นจะต้องวางอุเบกขาต่อทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพิจารณาหลักฐานที่มีในตนเองเล็งกันเข้าไปที่สภาวะจิตอย่าไปดูเฉพาะที่ว่าเกิดนิมิต เกิดปรากฏการใดๆขึ้นแล้วธรรมชาติของผู้ถึงธรรมนั้นเมื่อกำหนดสติรู้เข้ามาในกายจะเป็นกลางง่ายเห็นกายโดยความเป็นเปลือกเห็นเปลือกนั้นไม่ใช่ตัวตนทันทีเหมือนศัก์แต่เป็นก้อนหินหรือว่าแม่น้ำที่ถูกดูโดยสายตาเปล่าประศจากม่านบาง ประสาจากความคิดยึดมั่นว่าน่เทียงนี่ของเราจากนั้นเมื่อไล่พิจารณามาที่เวทนาจิตก็จะเป็นกลางง่ายเช่นกันคือศักด์แต่เห็นเวทนาเป็นเพียงสิ่งฉาบทาจิตไม่รู้สึกเวทนาเป็นตัวตนเหมือนเวทนาศักิ์แต่เป็นฟองในแม่น้ำที่มีค่าเพียงให้เห็นว่าเกิด แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาจากนั้นเมื่อไลพ่พิจารณามาที่สภาวะจิตก็จะเกิดความรู้เป็นกลางคือสักแต่เห็นสภาวะจิตในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงธรรมชาติรู้เป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งและเมื่อตั้งนิ่งอยู่ในสภาพเป็นกลางไม่ยึดติดถือมั่นอะไรในส่วนของกายและส่วนของใจว่าเป็นตัวตน ย่อมจำแรกผ่านความครอบงำของกายใจเห็นธรรมชาติบริสุทธิ์อันพ้นจากลักษณะของรูปเช่นกายพ้นจากลักษณะของนามเช่นใจซึ่งนี่คือนิพพานเมื่อสามารถทบทวนเข้าสู่สภาพรู้นิพพานเป็นปกติย่อมยืนยันให้กับตนเองว่านี่ไม่ใช่เพียงความน้อมใจเชื่อปรากฏการณ์ ทางจิตชั่วครู่ชั่วคราวแต่ก็เป็นลักษณะประจักษ์แจ้งว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนและมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งต่างหากออกไปเป็นธรรมชาติที่สงบจากรูปนามเป็นธรรมชาติต่างจากเวทนาและจิตก็อจิตปัหะคือความเพียรที่พอดีในช่วงแรกของการปฏิบัติ ผู้ภาวนามักจะไม่สามารถประมาณตัวเองว่าเท่านี้เพียรกำลังเหมาะเท่านี้เพียรเกินไปเท่านี้ย่อหย่อนความเพียรแล้วจะรู้ก็เมื่อเกิดอาการตอบสนองออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งจากกายหรือจิตเช่นเม็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเรากลับไปรบทับจับสืบที่ไหนมาหรือจิตตกหมนหมอง ขาดกําลังในการกําหนดรู้เข้ามาในขอบเขตของกายใจอย่างสิ้นเชิงตอเมื่อเกิดความเคยชินที่เป็นการปฏิบัติมากขึ้นรู้จังหวจะจกโคนว่าตรงนี้ควรกําหนดสติตรงนี้ควรประคองสติตรงนี้ควรปล่อยให้สติเดินเองตรงนี้ควรปล่อยให้พักหย่อนสติลงบ้าง ก็จะเกิดดุลใหม่ภาคเพียนอย่างพอดิบพอดีกระทั่งรู้สึกเหมือนไม่ได้ปฏิบัติสติทำงานเองเป็นอัตโนมัติทำให้ไม่เหนื่อยแต่ก็ยังขอภัยค่ะแต่ยังคงรู้สติสม่ำเสมอดีราวกับไม่ขาดตอนเพียงแค่หย่อนหน่อยๆแล้วกลับตึงพอดีขึ้นมาสลับกันเท่านั้น ลักษณะความเพียรที่พอดีย่อมให้การปฏิบัติที่สบายสลับเปลี่ยนจากรู้กายรู้เวทนาสลับจากรู้เวทนามารู้จิตสลับจากรู้จิตกลับมารู้กายใหม่แม้ความเมือ่อความเผลอก็ไม่น่ารังเกียจเพราะมื่อทีก็รู้ทีทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่เหลือความกังวลว่า ทำมากหรือทำน้อยไปไม่โลบหวังมากผลว่าเมื่อใดจะได้เสร็ีทุกอย่างพอดีอยู่ที่ความเพียรันต่อเนื่องกันความเพียรที่พอดีนี้เองอาจกลายเป็นความไม่พอดีคือแปลเป็นความเคยชินไปทุกอย่างเหมือนลงตัวหมดแล้วแม้แต่ลักษณะของชีวิตประจาวัน ทางที่เหมาะที่ควรคือถ้าถึงจุดของความรู้สึกว่าย่ำอยู่กับที่นานโดยไม่ก้าวหน้ากว่านั้นเสียทีก็น่าจะพิจารณาว่าเราจะอัดกำลังสมถะเพิ่มเส้นหน่อยดีไหมเช่นเพิ่มเวลาและทำฌานขั้นที่ยังไม่เกิดให้เกิดหรือพิจารณาว่าแง่มุมของกายเวทนาจิตธรรมอันใดที่ยังไม่ได้ดู ควรดูให้ครบวงจรตามทางของพระพุทธองค์เสีทีหรื อ, อยังเช่นการดูความเคลื่อนไหวอละเอียดอ่อนในจิตโดยความเป็นสัญญาสังขารดังจะกล่าวในบทถัดไปขอให้เข้าใจว่าความเพียรที่พอดีจริงๆในวิปัสสนานั้นไม่ใช่ข้อเสียแต่อาจเป็นข้อที่เรา ได้เวลาพิจารณาทบทวนว่ายังมีสิ่งใดขาดไปบ้างก็จะมีโอกาสเสริมให้เต็มเสียอุปทานคือความมีสติชัดเมื่อเลือกกำหนดลงไปตรงไหนระหว่างกายเวทนาจิตธรรมตรงนั้นก็จะชัดยิ่งกว่าชัดกับทั้งมีความคงที่สูงมีความเละเลือนเพียงน้อย สติเหมือนหมุนไปตามสถานการณ์โดยอัตโนมัติเนื่องจากรู้ทั่วพร้อมกว้างขวางเป็นเปรติแท่ตลอดเวลาสภาพเช่นนั้นเบียดให้นิวรณตกหมดหรือแม้แต่ความรู้สึกในตัวตนก็เหมือนดับสนิทเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานอันนี้ก็อาจจะทำให้เพลอไปนึกถึงคุณสมบัติของจิตพระอรหันต์ได้เหมือนกัน ความจริงแล้วสติอันแจ่มชัดของพระอาหารหันต์นั้นคือท่านไม่พลาดหลงยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเป็นตนอีกเลยจะในข้างใดก็ตามข้างนอกก็ตามที่อยู่มิตินี้ก็ตามที่อยู่มิติอื่นก็ตามอดีตก็ตามอนาคตก็ตาม ปัจจุบันขณะของท่านคือความเป็นอิสระแท้จริงของจิตจิตมีความรู้อย่างเป็นไปเองว่าที่จะเข้ามากระทบเป็นขณะนั้นหาใช่ตัวตนอันควรทึกทักว่าเทียงฉะนั้นจิตอันเป็นอิสระของท่านจึงปราศจากทุกทางใจเข้ามาเบียดเบียนอย่างสิ้นเชิง เมื่อเกิดสติชัดนั้นนับว่าประเสริฐแต่ทางที่ดีควรพิจารณาอย่างแยบคายว่าใจเรายังไม่ปลอดจากทุกข์เรายังมีทุกข์ทางใจได้ย่งต่างจากพระอรหันต์ท่านเมื่อพิจารณาเช่นนี้ก็จะไม่มัวหลงยึดว่าสติชัดซึ่งเป็นของดีที่สุดกับพั้งไม่หลงนึกตีตนเสมอพระผู้รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว ข้อเ้าอุเบกขาคือความวางจิตเป็นกลางเมื่อปฏิบัติจนเห็นกายเวทนาจิตธรรมของตนเองโดยความเป็นของเกิดดับมากเข้าจิตก็สัมผัสความรู้เป็นกายเวทนาจิตธรรมของผู้อื่นในโลกโดยความเป็นของเกิดดับเช่นกันตรงนั้นเมื่อจิตรู้เข้ามาในขอบเขตของใจในตน ก็อาจจะรู้สึกเฉยๆเหมือนเข้ามาสิงสู่ในหุ่นกระบอกกลวงเมื่อจิตรู้ออกไปในขอบเขตกายใจคนอื่นก็เหมือนว่างไปหมดขอพายค่ะเหมือนว่างไปหมดไม่มีน้ำหนักเป็นปฏิกริยาตอบโต้เรื่องกระทบใดๆเลยโลกปรากฏเหมือนของว่างของกลวงอย่างแท้จริง ถ้าสักแต่เฉยเป็นกลางรู้ตามจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรควรให้เป็นเช่นนั้นปัญหาจะเกิดก็เมื่อเราหลงนึกว่าเป็นมรรคผลแล้วก็จะเลือกแช่อยู่กับความวางเฉยนั้นพานจะเลิกกำหนดรู้กายใจโดยความเป็นสติปัฏฐานคือกระทบอะไรปุ๊บจิตก็จะตัดเข้าสู่ความ วางเฉยแบบนั้นทันทีอันนี้ก็แก้ความเข้าใจได้โดยกำหนดสติรู้เข้ามาในอุเบกขานั้นตรงๆรงรู้โดยความเป็นเวทนาชนิดหนึ่งพิจารณาว่าในภาวะอุเบกขาดังกล่าวมีความหลงยึดว่านี่คือมรรคผลของเราแทรกอยู่หรือไม่พิจารณาบ่อยๆเข้า ก็เกิดความกระจางแจ้งเห็นจริงไปเองแล้วก็หลุดออกจากความหลงติดไปเองนีการตินี่คือข้อสิทธ์คือความพอใจตัววิปัสสนูปกิเลตนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับวิปัสสนูปกิเลตทุกตัวหรืออาจจะเกิดขณะที่เห็นสภาวธรรมแค่นิดนหน่อยยังไม่ทันเกิดผลดีมากนะัก บางคนนั้นแค่สงสัยธรรมะสักข้อแล้วได้คำตอบทางวาจาเท่านี้ก็เกิดความพอใจยิ่งสำคัญว่าเห็นสัจจะเข้าไปถึงสภาวะธรรมอันละเอียดแล้วหากมีนิสัยติดตัวเช่นนี้ไว้แต่แรกเมื่อประสบพบเห็นกายเวทนาจิตธรรมโดยความเป็นของเกิดดับเพียงเล็กน้อย ก็ยิ่งพอใจถึงใจเข้าใจว่าตัวเองได้สิ่งที่ต้องการอย่างทองแท้แล้วประเสริฐกว่าผู้อื่นแล้วได้ชื่อว่าคุ้มชีวิตไม่เสียดายชาติที่เกิดแล้วตัวความพอใจนั้นหากพิจารณาเห็นว่ายังเกลืกรั้วอยู่กับอตาว่าเราดีอตาว่าเราเยี่ยมบางทีอตาละเอียด ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเราเก่งแต่ก็ต้องนับเป็นอัตตาอยู่ดีเพราะความได้สิ่งที่หวังนั้นย่อมผูกอยู่กับความหมายครอบครองความหมายของสมบัติจิตจะไม่เป็นกลางจริงและสนุตอยู่กับความพอใจเลิกคิดทำความเพียนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต่อตามทางนิ่กันติอาจเกิดขึ้นเป็นห่วงๆแบบเป็นตัวสะดุดเส้นทางนานๆครั้งหรืออาจเกิดขึ้นทิทีเหมือนกำแพงขวางไปเลยขอให้สังเกตว่าถ้ามีความพอใจมากขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะลืมดูอะไรหมด แต่ปักเข้าหลงอยู่กับความพอใจนั้นยันถอนไม่ขึ้นแทนวิธีแก้คือต้องพิจารณาว่านิการติจัดเป็นความหลงหรือโมหะชนิดหนึ่งหมันสังเกตบ่อยๆยามเกิดนิกันติขึ้นมาดูอาการที่จิตจมเข้าไปหรือแช่อยู่กับภาวะเช่นนั้นและสังเกตว่าเมื่อรู้รู้ตัว ว่ากำลังเกิดความพอใจยิ่งยวดจะปรากฏลักษณะของสติถอนตัวเข้าสู่ความเป็นกลางยิ่งเห็นมากนิกันติก็ยิ่งฟ่อลงกระทั่งเกิดแล้วหายทันทีแบบรู้เห็นเป็นอนิจจังไม่สามารถครอบงำสติเราได้อีกโดยทั่วไปหากทาสมถะและวิปัสสนาตามแนวที่พระพุทธองค์ปูทางเอาไว้มากๆก็จะต้อง ป้องกันความเข้าใจผิดแต่ต้นมือเช่นเจริญอโลกสัญญาจนรู้จักแสงแบบสมถะไว้หรือทำอากาศกะสินจนรู้จักความว่างแบบอากาศไว้ก็คงไม่ยึดมั่นถือมั่นในแสงหรือความว่างที่อาจจะปุ๊บปับเกิดขึ้นว่าเป็นนิพพานเป็นการบรรลุมรรคผลยังไรก็ตาม เพียงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิปสัสโนปกิเลสไว้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นเกราะป้องกันความเข้าใจผิดได้อย่างแข็งแรงแล้วขั้นหนึ่งกับทั้งเป็นเกณฑ์ประเมินตนเองได้ตอบข้อลังเลสงสัยตนเองได้ว่าปฏิบัติก้าวหน้ามาจนหลงวนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ถ้าก้าวผ่านวิปสัสโนปกกิเลสได้ครบทุกข้อ ก็จะทำให้จิตมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆขยัยบใกล้เป้าหมายปลายทางยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปด้วยการที่จะให้จิตมีสภาพสะอาดจากนิวรนนั้นใครทำสมาธิเก่งก็อาจจะสาเร็จได้ง่ายหรือถ้าใครพิจารณาเห็นตามจริงว่าตนยังติดนิวรนข้อใดข้อหนึ่งอย่างแน่วแน่นอยู่ ก็จะให้ค่อยกำจัดไปทีละข้อก็ได้ผลสุดท้ายลงเอยเป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นผ่องใสมีความอ่อนควรพร้อมแก่การงานวิปัสสนาเหมือนกันตรงนี้เมื่อมองย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นก็คงจะเห็นด้วยว่าพระพุทธเจ้าวางแนวทางกำจัดนิวรนไว้แล้วแต่แรกโดยไม่พูดว่ามากำจัดนิวรกันแต่ให้ปฏิบัติอนาปานสติ เริ่มฝึกจิตให้อยู่ในการควบคุมได้ทำจิตให้ตั้งมั่นผ่องใสด้วยการตามรู้การหายใจออกเข้ายาวสั้นและก็เน้นกระทําจิตให้แยกไปอยู่ในสภาพผู้รู้ผู้เฝ้าดูกองลมทั้งหลายโดยสักแต่เป็นของให้อาศัยระลึกซึ่งเมื่อทําสําเร็จก็จะพบสภาวะจิตเหมือนกับที่เราถอนนิวรณ์ออกครบทุกข้อนั่นเอง หากยังไม่เห็นว่าความมีสมาธิจิตกับการปราศจากนิวรณ์มีข้อเปรียบกันอย่างไรก็ขอให้พิจารณาตามจริงตามลักษณะไร้นิวรณเป็นข้อข้อดังนี้หนึ่งการไม่มีกามชันทะหมายถึงจิตที่หลุดพ้นจากการหมกมุ่นและกลับสดสาสตามธรรมชาติข้อสองการไม่มีพยาบาทคือจิตที่เยือกเย็นและเป็นสุข สการไม่มีความม่วงงุนซึมเศร้าก็หมายถึงจิตที่เบิกบานและเปิดกว้างไร้สิ่งห่อหุ้ม 4. การไม่มีความฟุ้งซ่านหมายถึงจิตที่ตั้งมั่นและก็อยู่ในสภาพที่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏ5ความไม่มีความลังเลสงสยัยหมายถึงจิตที่ปลอดโปร่งและคลายจากติดข้องคือคลายความติดข้อง ถ้าใครจ่อจิตติดกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจได้อย่างดีก็จะมีลักษณะจิตที่ไม่หมกมุ่นเยือกเย็นเบิกบานตั้งมั่นรู้และคลายจากอาการติดขัดเช่นกันรวมทั้งลักษณะด้านดีก็กลายเป็นจิตที่ทรงคุณภาพได้นี่เองจึงเป็นข้อสรุปว่าถ้าทำสมาธิกเก่งๆ ก, ก็แทบจะไม่จาเป็นจะต้องสารวจ แล้วก็หาทางกำจัดนิวรกันให้ยุ่งยากเพราะผู้ที่มีความใครในสุขอันเกิดแต่วิเวกแห่งสมาธิย่อมไกลจากความใครในกามในพยาบาทในความม่วงงุนในความฟุ้งซ่านและในความสงสัยเป็นธรรมดาในสมาธิสังยุตพระสุตตันตปิฎกเล่มที่9้า พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างละเอียดแล้วเกี่ยวกับความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิประการต่างๆไว้เพื่อให้เกิดการสังเกตละเอียดยิบว่าเราได้เข้าข่ายใดเมื่อรู้ว่าเราเข้าข่ายใดก็จะได้เร่งปรับปรุงตัวทาให้เป็นผู้ฉลาดทางสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นแม้ว่าพระสูตรนี้จะเน้ น, ฉนเฉพาะเอาผู้ที่ได้ฌานก็สามารถนาหลักการมาประยุกต์ ได้สำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่ที่เริ่มได้ผลเบื้องต้นบ้างแล้วเช่นกันกล่าวโดวยสรุปก็คือพระพทุทธองค์สลรเสิญผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนถ้าฉลาดข้อหนึ่งแต่ยังขาดอีกข้อก็ยังไม่นับว่าฉลาดแทน ในการตั้งจิตให้มั่นคงให้มั่นคงเป็นสมาธิการจะมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นผู้ที่ยังขาดประสบการณ์มักเข้าใจว่าเป็นลักษณะจิตที่มาจากการเข้นหรือว่าการบังคับแคบมวดให้จ่อติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขับแคบจํากัดและจะต้องปักแนวอยู่ตรงนั้นทั้งที่จริงจิตจะเป็นสมาธิแบบรวมใหญ่ไม่ได้เลยหาดยัง ทุ่มเข้าจอแบบแคบอยู่หากต้องการตัวอย่างเบื้องต้นของความตั้งมั่นอย่างใหญ่ขอให้ลองทอดตามองฟ้าในมุมกว้างนิ่ ง, งเมื่อเห็นใจเปิดเห็นใจเปิดเผยไร้ฟ้ามัวแล้วก็ให้ระลึกถึงท่านั่งอันเป็นปัจจุบันหากกำหนดสติได้ถูกทุกส่วน ปราศจากความหนักหรือว่าเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งจะรู้สึกถึงความหยุดนิ่งไม่เคลื่อนออกมาจากภายในตรงนั้นเรียกว่าตั้งมั่นโดยไม่เพ่งเล็งบังคับจิตจะมั่นคงเป็นสมาธิได้นานด้วยความสบายความไม่ไหวติงเพียงเล็กน้อยนั้นอาจเป็นตัวตั้งของสมาธิใหญ่ได้ขอให้พิจารณาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของอนาปานสติสูตร เพราะสุดตันตปิฎกเล่นที่หกคือถ้าจงสำเนียกอยู่ว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจออกเราจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้านั่นคือเราไม่เน้นการกำหนดรู้ว่าลมหายใจออกหรือว่าหายใจเข้าหายใจยาวหรือสั้นทว่าหันมาเน้นระลึกถึงความปักหลักนิ่งแบบเปิดเผยในอึดอัด และใช้ลมหายใจเป็นเครื่องเลี้ยงถ้าทำได้สักพักก็นับว่าเป็นความฉลาดในการตั้งจิตให้มั่นคงขั้นต้นแล้วแต่ละคนมีช่วงเวลาของความนิ่งที่เหมาะสมของตนเองเช่นถ้าเพิ่งเริ่มฝึกก็อาจจะเป็น5้าวินาทีถ้ามีกําลังอยู่บ้างแล้วอาจจะเป็นหนึ่งนาทีถ้าทำสมาธิชำนาญแล้วก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่า หลายชั่วโมงถ้าเทียบวัดกับเริ่มต้นจะต้องนิ่งให้ได้เท่านั้นเท่านี้ผู้ทำสมาธินั้นต่อให้มีพรสวรรค์เพียงใดก็ต้องอาศัยชั่วโมงบินเพื่อสั่งสมกำลังกันมากมากกว่าที่จะยึดเวลาตั้งมั่นออกไปได้นานขึ้นดังปรารถนาข้อสองฉลาดในการกำหนดจิตเข้าสู่ความเป็นสมาธิ การทำให้จิตตั้งมั่นนั้นบางคนต้องใช้เวลานานบางคนใช้เวลาเพียงเล็กน้อยปัจจัยหลักประการหนึ่งก็คือวิธีดำเนินจิตให้แนว่วเข้าสู่ความตั้งมั่นแตกต่างกันหากใครฝึกเข้าสมาธิให้เคยนิสยัยเหมือนคนชำนาญทางในป่าไม่ต้องหลงวนเข้ารกเข้าพงแต่จาทางแม่นสามารถออกจากป่าเข้าถึงบ้านพักได้ทั่วทุกสารทิ ก็นับว่าจะเป็นผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์และพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสนาได้อย่างแคล่วคล่องรู้จักจังหวะจักโคโที่ถูกต้องว่าเมื่อไหร่ควรสงบพักเพื่ออัดกำลังใหม่เมื่อใดควรตั้งมั่นรู้กายใจโดยความเต้นไตรลักษณ์แต่ละคนอาจจะมีกลวิธี เฉพาะตัวในการเข้าสมาธิไม่มีกลวิธีใดที่ผิดหรือถูกขอให้ได้ผลเป็นจิตที่ตั้งมั่นอย่างถูกต้องก็พอเช่นบางคนรู้ตัวว่าปกติฟุง้งจัดก็อาจจะเริ่มทำสมาธิด้วยการปิดตาลงกำหนดรู้ตามจริงว่าขณะนี้ฟุ้งมากขณะนี้ฟุ้งน้อยกระทั่งเกิดสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่น ทั้งฟุ้งมากและฟุ้งน้อยว่าเป็นตัวเราค่อยสบายใจพอแต่พอจะตะล่อมเข้าสู่ความตั้งมั่นรู้อารมณ์สมาธิบางคนอาจจะอาศัยเครื่องทุนแรงเช่นมองฟ้าจนจิตว่างแล้วก็จับความเบาของจิตในฐานในการเริ่มรู้ก็นับว่าใช้ได้เช่นกันสำหรับผู้ฝึกอนาปานสติ มาจนรู้จักเส้นทางตามลำดับก็ได้เปรียบรวมทั้งอาจจะมีอุปเทศ่หรือวิธีเข้าสมาธิเฉพาะตัวแบบลัดตรงและได้ผลแน่นอนเสมออย่างเช่นบางคนที่ฝึกอนาปานสติจัดเจนจนรู้อาการทางจิตที่แน่นอนในแต่ละลำดับนั้นก็อาจกำหนดว่าเราจะทำจิตให้ตั้งมั่นภายใน การรู้ลมหายใจ11ครั้งแต่ละครั้งคือ 1. กองลมตามลำดับที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้เริ่มต้นให้ทดสอบตามองตรงสุดลมหายใจเข้ายาวเพื่อตั้งหลักจากนั้นก็ปิดตาลงพร้อมกับจังหวะที่กำลังจะระบายลมออกกองลมที่หนึ่งหายใจออกด้วย กำลังหายใจออกหายใจเข้าด้วยรู้ว่ากําลังหายใจเข้าไม่จําเป็นจะต้องเพ่งใหเห็นลมหายใจเป็นพิเศษรู้ทั้งหมดทีเดียวว่าอย่างนี้คือการหายใจออกอย่างนี้คือการหายใจเข้าสติจะได้จับอารมณ์แบบไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งอย่าหวังความสงบอย่าพยายามให้นิ่ง และไม่จำเป็นต้องสร้างภาระให้จิตด้วยการนับว่าหนึ่งแต่อย่างใดเบื้องต้นอาจกำหนดในใจว่าออกและเข้าก็ได้แต่พอคุ้นแล้วไม่จำเป็นจะต้องกำกับด้วยคำบริกรรมอีกกองลมที่สองหายใจออกรู้ว่ายาวหายใจเข้ารู้ว่ายาวก็นับเป็นอีกกองลม ตามธรรมดาเมื่อกำหนดสติไว้ที่ลมหายใจก็จะทำให้ระบายลมและลากลมยาวกว่าปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องจงใจทำให้ยาวกว่าที่รู้สึกอยู่ตามธรรมชาติ